พระตรปิฎกเล่มที่สิบสองมหาโคปาละสูตรทางไม่เจริญสิบเอ็ดข้ออุปมาด้วยคนเลี้ยงโคสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราชเจตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแสดงธรรมไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย นายโคบานคือผู้เลี้ยงโครประกอบด้วยองค์1 1ประการเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11อประการอะไรบ้างคือนายโคบานในโลกนี้ไม่รู้รูปโคไม่ฉลาดในลักษณะโคไม่กําจัดไข่ค้างคือไข่ที่แมลงมาวางไว้ที่แผลไม่ปกปิดแผลไม่สุมไฟ ไม่รู้ท่าน้ําไม่รู้ว่าโคดื่มน้ําแล้วไม่รู้ทางไม่ฉลาดในที่หากินรีบนมไม่ให้เหลือและไม่บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งการบูชาโคในที่นี้หมายถึงการดูแลการกินการนอนให้โคจ่าฝูงอย่างดีไม่ใช่การกราบไหว้เคารพ นโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แหละเป็นผู้ไม่สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะ11ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไยบู์ในธรรมะวินัยนี้ได้ธรรมะ11ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่รู้รูป ไม่ฉลาดในลักษณะไม่กำจัดไข่ข้างไม่ปกปิดแผลไม่สุมไฟไม่รู้ท่าน้ำไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้วไม่รู้ทางไม่ฉลาดในโคจรรีดนมไม่ให้เหลือและไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถรเป็นรัตตันยูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบีดอนเป็นสังฆปรินายก ด้วยการบูชาอย่างยิ่งสำหรับข้อภิกษุผู้เป็นเทระเป็นผู้บวชนานก็ต้องบวชแบบมีคุณภาพด้วยนะครับทั้งนี้ต้องหมายถึงสงที่เป็นสงจริงๆคำว่าพระสงฆ์ในศาสนาพุทธคือพระผู้ปฏิบัติ บ, ต บ, ตบตรรลุตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนบรรลุอรหัตผลถ้าเป็นพระผมเหลืองทั่วไปเราเรียกว่าสมมติสงนะครับยังไม่ได้เป็นสงเต็มตัว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 คนพาณมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลดคำว่าไม่ฉลาดในลักษณะหมายถึงคนพาณและบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมายเหมือนกันแต่ต่างกันที่คนพาณมีอากุศลกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตมีกุศลกรรมเป็นเครื่องหมาย ภิกษุไม่กำจัดไ ข, ข่คางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รับกามวิตกรับพยาบาทวิตกรับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นรับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่ละไม่บรรเทาไม่ทําให้สิ้นสุดไม่ทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุไม่กําจัดไ ข, ข่คางเป็นอย่างนี้แล ภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือรวบถือหมายถึงมองภาพด้านเดียวคือมองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญิงหรือชายเห็นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่อ่อนนุ่มเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาด้วยอำนาจสันทราคะ แยกถือหมายถึงมองภาพสองด้านคือมองแยกแยะเป็นส่วนๆไปด้วยอำนาจอิเลชเช่นเห็นมือเท้าว่าสวยหรือไม่สวยเป็นอาการยิ้มแย้ ม, ยมหัวเราะการพูดการเหลียวซ้ายแลขวาว่าน่ารักหรือไม่น่ารักถ้าเห็นว่าสวยน่ารักก็เกิดอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้าเห็นว่าไม่สวยไม่น่ารักก็เกิดอนิธารม อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมในจักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก บ, บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงําได้ไม่รักษาจักขุนสีไม่ถึงความสํารวมในจักขุนสีคำนี้คือจักขุบที่แปลว่าตา รวมกับอินทรีย์นะครับและโดยนัยยะเดียวกันฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผล่ภาพคือการสัมผัสทางกายจนมาถึงรู้แจ้งธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมในมนินรีซึ่งไม่สํารวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามานินรีไม่ถึงความสํารวมในมานินรีภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แหลภิกษุไม่สมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดาร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 ท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นไม่เปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ทำให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นภิกษุไม่รู้ท่าน้าเป็นอย่างนี้แหละภิกษุไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ ไม่ได้ความปลาบปลื้มอิงอัฏฐะไม่ได้ความปลาบปลื้มอิงธรรมะไม่ได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมะในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ไม่รู้อริยมรรคมีองค์แปด ตามความเป็นจริงภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในโกจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดสติปัฏฐานสี่ประการตามความเป็นจริงภิกษุไม่ฉลาดในโกจรเป็นอย่างนี้แลไม่รู้สติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริงในที่นี้หมายถึงไม่รู้ว่า สติปัฐานอย่างไหนเป็นโลกิยะอย่างไหนเป็นโลกุตระเมื่อไม่รู้ก็จะน้อมยานของตนเข้าไปในฐานที่ละเอียดแล้วปักใจอยู่ในสติปัฐานที่เป็นโลกิยะเท่านั้นจึงไม่สามารถให้สติปัฐานส่วนที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นได้ภิกษุปรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนนะักิฬานปัจจัยเภสัชบริคารที่พวกห้าบวบดีผู้มีศรัทธาบวรณานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดร เป็นสังฆบรินายกด้วยการบูชายอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆบรินายก ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการนี้แหละเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ในธรรมวินัยนี้ได้และตรัสถึงภิกษุที่มีหรือทำในสิ่งตรงข้ามจากสิอข้อนี้ย่อมเป็นผู้ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ในธรรมะวินัย น, นี้ได้จบมหาโครปราลสูตร จากพระตรัยปิดกเล่มที่สิบสอง